กเราก็เมื่กีก็ได้สวดมหาสติปัฏฐานสูตรนะแต่ก็ไม่ได้สวดเต็มสวดแบบเยอะๆยอ่ยอมากก <c oughs> <ๆ>็จะริงมหาสติปัฏฐานสูตรครอบคลุมทั้งหมวดตายก็มีหกวัคพ่ยมีหกหมวดเ <นะ S 1> วทนาก็มีเยอะจิตตานุปัฒนา ธรรมานุปัสสนาเรียกว่ามีมีสี่ฐานหลักหลักฐานตายฐานเวทนาฐานจิตแล้วก็ฐานธรร ม, มแต่ที่เราสวดก็เป็นเพียงแค่เบื้องต้น<ม>แล้วก็<ม>แต่มันก็เป็นส่วนที่ที่เราได้ปฏิบัติในเบื้องต้นก็คือเรามีสติในการตามรู้ใ น, ในการ ยืนเดินนั่งหรือว่า น, นอนนะหรือว่าเป็นอิเดียิดย่อยที่เรียกว่าสัมปชัญญาาะหลัภนะักดก็คือว่าการทําความรู้สึกตัวนะในการพู้อวัยวะเข้าเหยียดอวัยวะออกในการเลี่ยวซ้ายในการแลบวานะในการกินดื่มขับถ่ายอันนี้คือเรียกว่าเป็นอิเดียิดย่อยนะอาตมาเองก็ตอนเรียน แต่แกลกงนะเรื่องการฝึกสติก็อาศัยเนี่ยอาศัยตำราเหมนกันนะอาศัยตำรานะตอนแรกก็ไม่รู้ว่าวิธีการยกมือตั้งจังหวดแบบเนี้ยมันมันถูกตามตำราถูกตามที่พระพุทเจ้าท่านสอนไหมนะเราก็ไม่มีครนะูสอนโดยตรงนะอาศัยอ่านจากตำรานะ เรียนแบบแนวของพ่อเทียนก็เหมือนกันนะก็เรียนจากตำราหนะนังสือธรรมะแท้ต้องรู้อย่างเดียวกันของหลวงพ่อเทียนเป็นหนังสือที่พระอาจารย์ที่เป็นพระที่เรียก ว, ว่าบทตอนเรานลวงพอให้กนะ็ไม่ได้มาสอนถ้ายกมือแต่ท่านให้หนังสือนะให้หนังสือหลงพ่อเทียนธรรมะแท้ต้องรู้อย่างเดียวกันนะในบทขั้นบังก็มี วิธียกมือนะี่ยก็ยกมือตามดูนะตามดูแต่ที่หลวงพ่อเทียนท่านบอกว่าถ้าธรรมะแท้ต้องรู้อย่างเดียวกันถ้าสิ่งที่หลวงพ่อเทียนท่านรู้หรือว่าวิธีที่ท่านปฏิบัติถ้ามันเป็นความจริงแท้มันก็ต้องตรงกับพระพุทธเจ้าสอนตรงกับครูบาอาจารย์อื่นที่เขาสอนนะก็เลยไปดูตำนานเนะ่ มหาสติปะนนัะญาสูตรนี่นแหละไปดูว่าวิธีมหาสติปัะทานนี่ก็สอนอะไรบ้างก็อ่านดูก็ค่อยปลงใจเชื่อโดยทฤษฎีนะเชื่อโดยทฤษฎีเพราะว่าวิธีการนี้ก็มีในตำราอยู่นะแม้ไม่ใช่แบบเป๊ะๆนะแต่ก็ไม่ไม่ขัดแย้งกันในทางทฤษฎี เราก็อาจจะเป็นพวกหัวทฤษฎีพวกหัวความคิดสักหน่อยนะก็ต้องเอาควาคิด เ, เชื่อแบบความคิดไปก่อนนะมันถึงค่อยพยองโปรงใจที่จะทํำนะโปร่งใจที่จะทําแต่สมาตอนทําใหม่ก็ทําแบบสลับกันแับทําแบบอนาพานสติกนะเพราะแต่ตอนเราเคยปึกอนาพานสติกแบบ นะไปฝึกที่สวนโมกช ย, ยานนะก็ฝึกนั่งอานาปานสติมาทันโบดใหม่ๆกน็ น, นะก น, น, นะกนั่งแต่อานานะแต่พอได้มาอ่านตำร า, ราเราก็เพียนก็ได้มาฝึกยกมือสร้างจังหวะบ้างก็ก็เลยมันทําสลับกันนะทํานะอานาก็อาจจะได้ความสงบนะได้ความรู้สึกนะจิตมันนิ่งๆนะแต่พอมายกมือสร้างจังหวะมันก็ มันก็เด่นที่ตัวรู้นะเด่นที่ตัวรู้แต่ก่อนนะมันก็สงบแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนต่ออันนั้นถือเป็นก็เป็นมันไม่ไม่ได้มีครูมามาแนะนําต่อเลยมันก็เลยไปไปติดแค่ความสงบนะแต่ถ้าภนะาวนาคานสติจริงจริงก็เน้นที่ตัวสตินั่นแหละนะแต่ตอนนั้นเราทํามันไม่ทําแบบไม่ได้มีครูแนะนําแบบ ว่าไม่ได้แนะนําให้เราปฏิบัติอย่างไรต่อเนาะบางทีก็เลยพลาดไปเป็นความสงบจเฉยแต่ก็ไปต่อไม่เป็นแต่พอมาฝึกแบบเจอสติแบบเคลื่อนไหวมันเหมือนมันเหมือนเป็นทางต่อเนะเป็นทางต่อที่แต่ก่อนเคยแค่สงบนะแล้วก็ไปต่อไม่เป็นแต่การมีสติในการรู้ตัวมันทาให้เรารู้สึกว่าเออการปฏิบัติทำเนี่ย มาทำได้ตลอบทั้งวันจริงๆแต่ก่อนเราจะปฏิบัติก็ต่อเมื่อเรานั่งสมาธิเราต้องนั่งนิ่งๆ น, นั่งหลับตานั่งดูลมหายใจแต่ก่อนก็ปฏิบัติแต่ตอนแบบนั้นตอนที่เหลือก็ไม่รู้จะปฏิบัติกับไหนเพราะว่าคิดว่าต้องกำหนดลมหายใจตลอดเวลาตอนที่เราทำอะไรก็แล้วแต่แต่พอเกฏวมันก็กำหนดยากนะ ท่านในชีวิตประจำวันจริงๆถ้าเรายังเป็นผู้ฝึกใหม่เนาะเราจะทำการทำงานจะจะตามดูลงหายใจซึ่งมันค่อนข้างละเอียด ม, มันก็เลยกำหนดได้น้อยมากมันก็เลยเหมือนช่วงเวลาที่ปฏิบัติธรรมก็คือช่วงที่นั่งแล้วก็ทั้งดับตาแล้วก็อยู่คนเดียวแต่ช่วงเวลาอื่นก็เหมือนใช้ชีวิตปกติก แต่พอเอาวิธีแบบสมวงอทีนมาประยุกต์มันก็บางทีเราก็นั่งสมาธิแบบนั้น mm. ก็ดูลมหายใจไปนะแต่ตอนเวลาที่เรื่อยยังอื่นเราก็อาศัยรู้การเคลื่อนไหวนี่แหละนะรู้การเคลื่อนไหวเดินวินา บ, บาทอ้อเดินจมกรมก็แบบนี้นไม่ต้องเดิ น, นช้าก็าได้ <c ười> แต่ก่อนก็คึอแบบเดินช้าๆคิดว่าอ น, นั่นคือเดินจมกรม แต่จริงก็เดินบินตาบอดก็เป็ยการเดินจงกมนะเดินก็คืออะไรก็เดินแล้วก็มีสติรู้ตัวว่ากำลังเดินอยู่อย่างที่พระเจ้าทั้งสอนเนี่ยเดินก็รู้ว่ากำลังเดินนะเราเหลี๋ยวซ้ายขวาเผลอไปมองบ้านโยมเผลอไปมองอาหารนะเผลอไปรู้สึกอยากกินนะมันก็มันก็มีสติรู้ทันใจของเราก็ได้ อันนต้องมีสติตรงนันเลยนะหรือกวาดลานวัดมือกวาดไปนหรือกวาดถูสาราอ๋ออันนี้คือการฝืกส ต, ติเหมือนกันเนาะมันไม่ใช่แค่ทำความสะอาดนสาราหรือว่าเป็นกิจวัตรของสงเท่านั้นแต่จริงมันคือเครื่องมือในการฝืกส ต, ติเหมือนกั น, นเรากวาดใบไม้กวาดถูอต่างก็เนี่ยเนี่ยมีส ต, ติแต่ก่อนบางทีก็คิดว่าต้องรีบทําให้มันเสร็จ จะได้ไปนั่งนะปฏิบัติธรรมนะจะได้กลับฝุ่มสีินะบาทีความคิดมันก็ติดแบบนั้แนะนะแต่ถ้าเราพอฝึกนะแนวเจริญสติตบงนะี้เราก็จะเห็นว่ารียาบทต่างๆก็เป็นการฝึกสติทั้งนั้นเลยนะแต่นะก่อนมาก็เลยนั่งดูลงหายใจระดับกัวตานยับมือท่าจังหวะบางแล้วก็ ก็เก็บเกี่ยวในเรียบทในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเท่าที่ทําได้นะแต่หลวงพ่อข่องเขียนท่านก็อาจจะเคยเห็นเรานั่งนแบบนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะบางทีเอามาก็จะจำได้ตอนที่หลวงพ่อสอนใหม่ๆบางทีคือหลวงพ่อก็ไม่ได้มาที่วัดสุประตบูบ่อยท่านก็อยู่คลุกคลองนานๆขึ้ น, านมาที่สุประตทีประจันในศาจเองท่านก็ไม่ค่อยอยู่สุประตเท่าไหร่ อยู่ผู้หลงบ้างเลยว่ามีกินที่มนที่อื่นบ้างแต่บางทีก็เปิดเทสหลวกพ่อ เ, เทียนเปิดเทสหลวงพ่อคำเขียนบ้างบางทีถ้าหลวงพ่อมาเทศบางทีหลงพ่อก็เจนเทศส่อนวะ่าแม้การดูลมหายใจก็เป็นการฝึกสติได้เหมือนกันนะแต่ท่านก็บอกว่าให้หายใจแบบหายใจเป็นธรรมชาตินให้หายใจธรรมดานะไม่ต้องไปบังคับลมหายใจ นะอันนี้คือหลักสำคัญกนะ็คือว่าไม่บังคับนะไม่บังคับลมหายใจนะไม่ต้องไปบังคับให้มันสั้นหรือยาวยากหรือละเอียดเราเพียงแค่รู้นะลมหายใจตามที่เขาเป็นอันนี้ก็เราก็ค่อยเก็บนิดหนึ่งแต่ก่อนเราไปบังคับนะไปบังคับมากเกินไปแต่ก็พ่อต้องมาสอนให้ หายใจให้เป็นธรรมชาติหายใจเข้าจะสั้นหรือยาวแล้วก็รู้ตามที่เขาเป็นอนะไรประมาณนี้หรือว่าถ้าไม่ดูลมหายใจทั้เก็บอกเนะี่ยให้รู้สึกกับการเคลื่อนไหวนะต่เคลื่อนไหวจะทำอะไรก็แค่ไม่รู้สึกตัวนะให้รู้สึกตัวเฉยๆเพราะอันนี้เราก็จะจับได้ม่าที่จริงการฝึกกติมันก็ทำได้หลายแบบนะ ดูลมหายใจแบบเดิมก็ทําได้นเพราะว่าเอาเราตัวรู้เป็นตัวหลักไม่ได้เอาการบังคับลมหายใจให้ท่านหมือยาวหรือว่าให้สงบ ห, หรือว่าให้แบบแบบหยานัและเราก็รู้สึกแบบนั้นได้อืมแต่ก็นอกจากเองเห็นกายเคลื่อนไหวแล้วนะไม่ว่าจะเป็นลมหายใจก็จดีมือไม้ที่ยกก็ดีหรือการเดินก็ดี ที่จริงมันก็จะเป็นเห็นความรู้สึกเลยที่แต่ก่อนเราก็ไม่เคยรู้ว่า อ, อ๋อการดูจิตดูใจดูความรู้สึกเนี่ยมันเป็นแบบไหนแต่ก่อนคิดว่านะแต่ก่อนพ่อใจเองคิดว่าเหมือนการฝึกแบบนี้นเหมือนบันไดสีนนะ่ขั้นต้องฝึกกายให้ดีๆก่อนต่อไปก็ไปฝึกเวทนาฝึกจิตตาฝึก ทำมานึกว่าเป็นบรนไดสี่ขั้นแต่ก่อนติดตาราแบบอ่านของหลวงพ่อพุทธทาสนาปา น, ะา น, ปนนะัสติกสิบหกขั้นกายสี่ขั้นเวทนาสี่ขั้นจิตสี่ขั้นธรรมสี่ขั้นคิดว่ามันเป็นเหมือนบรนไดีิบหกสเ็สิบหกขั้นที่ต้องค่อยๆเดินนะแต่ที่จริงอาจเป็นความเข้าใจผิดของเราเองนะไม่ใช่ว่าตาราไม่ถูกเป็นความเข้าใจผิดของเราเอง แต่ที่จริงขเขาฝึกไปจริงจมันไม่ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องรู้แต่กายใี่มันชัดชัละเอียดตลอดแล้วค่อยไปเรียนรู้เวทนาไปเรียนรู้จิตหรือเรียนรู้ธรรมเพราะที่จริงสภาวะทั้งสี่อย่างนะกายเวทนาจิตธรรมมันเกิดขึ้นพร้อมกันอยู่แล้วนะเราแล้วแต่ว่าสติมันจะไปรู้อะไรนะแต่เบื้องต้นเราก็มีสมาฐาน โดยเฉพาะฐานกายกเป็นเรองตน้นแต่บางทีปฏิบัติไปแล้วก็เกิดความคิดพุ้งร่างความคิดพุ้งร่างนี่ก็คือจิตมันแสดงอาการใช่ไห ม, มคิดแล้วสมมติว่าเราไม่พอใจเกิดความทุกข์ใจอันนี้ก็เวทนาเกิดขึ้นแล้เหรือ น, นั่งไปนานๆปวดแคล้งปวดขานอกจากเวทนาของกายปวดแล้ว ใจก็รู้สึกทุกข์ด้วยอันเนี้ยจิตเขา ก, ก็ทั้งเวทานาทั้งจิตเขก็กกสแสดงอาการมันไม่จําเป็นว่าเราจะต้องแบบรู้แต่ตายอย่างเดียวก็ได้นะที่จริงไม่แต่ตัวเวทานาหรือว่าตัวจิตหรือไม่แต่ตัวทำมาลมนะก็สะแสดงนะที่จริงทำมาลมนี่ก็มาแบบมาแทรกตั้งแต่บทแรกๆนั้นนะควาอมง่วงนอน นี่วอร์จธรรมเนี่ยมนะีทั้งห้าตัวนี้ก็เป็นธรรมารมณ์นะอหัวง่วงนอนเนะี่ยก็มานะทุกวันนะเป็นปฏิบัติก็มาทุกวันนะความฟุง้งนซะ่านเนี่ยก็มีมาทุกวันนะฟุ้งโดยเฉพาะถ้าเราเกี่ยวข้องกับคนเกี่ยวข้องกับงานเยอะก็ฟุง้งซ่านเยอะใช่ไหยก็ก็มาทุกวันนะความสงสัยนี่ก็มาบดแรกๆเลยนะแต่ไม่รู้นะ สงสัยแต่ก่อนสงสัยแล้วก็คิดสงสัยแล้วก็ต้องหาคําตอบให้มันได้นะแต่เราไม่เคยเรียนรู้แค่ว่าอ๋อสงสัยก็แค่สงสัยเป็นแบบไหนหรือว่าฟุ้งซ่างก็แค่ฟุ้งร้างเป็นแบบไหนง่วงนอนก็แค่ว่าง่วงนอนเป็นแบบไหนเนี่ยเราไม่เคยรู้หรือแม้แต่ความพยายามนะความคิดในเชิงพยายามเจ้คิดเจ้าแค้น ไม่พอใจอะนะ่ะมันก็มานะใช่ไหมมีไหมคดีที่เคยไม่พอใจไม่ชอบใจหรือปัจจุบันก็เหมันกันนั่นแหละวนนี้เปิดกระเป๋าเสียงดังคนนี้ปิดประตูเสียงดังอะไเนะ่ะไม่พอใจนิดนึงเกิดขึ้นะนะในใจหรือพอใจก็มีนะพอใจนะบางครั้บางครั้ ง, งก็พอใจ ปฏิบัติทำบางทีก็ปอยใจตัวเองปฏิบัติดีอะไรนะคิดนั่นคิดนี่เป็นในเชิงที่ดีอันนี้แหละนี่วอนและทำตั้งห้าตัวเนี่ยมันก็มาเนาะมาทุกวันวันละหลายรอบด้วยที่จริงเนี่ยทํามาในปรัสนาสติปัทานเนี่ยก็มาตั้งแต่แรกๆเลยแต่แต่ก่อนเราคิดว่ามันเป็นมันเป็นอุปสรรคเนะแต่ก่อนเราคิดว่ามันเป็นอุปสรรคเราต้อง กำจัดมันทั้งหมดแต่ถ้าเราฝึกในแนวสติปัญฐานสูตรจริงๆนะเราสามารถเรียนรู้ตรงนั้นได้มันไม่ใช่แค่อุปสรรคนะแต่มันคือเหมือนเป็นทางผ่านหรือเป็นอุปกรณ์ในการให้เราสอนธรรมะเราเราจะอยู่อ <funnel> ย <ing> ่างไรแม้บางทีมันกายก็งม่วงแต่จะทำไงให้ใจไม่กังวลใจไม่ทุกข์หรือ จะอยู่อย่างไรจิตมันฟุ้งซ่านมันคิดนั่นคิดนี่หรือว่าจิตมันสงสัยแต่เราก็เห็นว่าความสงสัยก็ส่วนหนึ่งแต่จิตจริงๆนะตัวปกติก็ส่วนหนึ่งหรือว่ากายที่เวพลิ้นไหวมันก็ส่วนหนึ่งเราแยกมันได้ไหมนะเราไม่ต้องเอาจิตเอาใจไปรวมกันไปคิดสงสัยต้องหาคำตอบที่ได้นะต้องถามให่ได้นะ หรือความฟุ้งร้างถ้าเราเห็ น, นจริงๆฟุ้งก็ส่วนหนึ่งน ะ, อะไอ้ที่รู้ว่าฟุ้งก็ส่วนหนึ่งไอ้ที่ยืนเดินนั่ ง, น, งนอนคูยเหยียดเคลื่อนไหวก็ส่วนหนึ่งเราเห็นไหมถ้าเราเห็นได้เนะี่ยเรียกว่าเรามีสตินะแต่ถ้าเราไม่เห็นเราเข้าไปเป็นผู้ฟุ้งเราคิดว่าเราปฏิบัติแล้วมันฟุ้งค่านมันไม่ดนะีเราก็จะไม่ชอบนะทําไมปฏิบัติวิธีนี้ต้องมันฟุ้งซ่าน นะ ไ, มไม่สงบเหมือนเดิมปฏิบัติแล้วทำไมมันคิดมากนะแต่ที่จริงเพราะเรารู้ตัวว่าเรารู้ทันความคิดนะมันเลยรู้ว่ามันคิดมากแต่ลองสังเกตดูมันจะคิดไม่ค่อยยาวแต่ถ้าตอนไหนไม่ค่อยรู้ตัวมันจะคิดยาวนะรู้ตัวมันจะกวรจะรู้ตัวไอท้ทีมันทีก็คิดจบไปแล้วหรือม่ก็คิดไปหลหลายนาทีแล้วนะแต่ถ้ารู้ตัว มันคิดแป๊ดเดียวนะ่ะคิดแป๊ดเดียวแล้วก็มันก็าวางนะแต่เวลาที่คิดใหม่อีกจะก็ไม่เป็นไรนะอันนี้คืออ๋อ จ, จะเห็นว่าที่จริงถ้าความคิดมันเกิดขึ้นของมันเองแต่ถ้าเรารู้ทันน่ะมันกะ็มันก็านาวางความคิดได้นะวางได้อาจจะเกิดขึ้นอีกก็ไม่เป็นไรเราก็แค่รู้รู้ใหม่ก็โอไม่ตรงเนี้ยนะบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นเอง นะในจิตมันก็เกิดขึ้นนะไปย้อนคิดเรื่องอดีตไปคิดเรื่องอ น, นาคตหรือจิตมันก็ทบกับปัจจุบันนะ้ทำบางอย่างมันก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็ก็แค่เรียนรู้มานาหรือ ไ, ไม่แต่ความง่วงก็เหมือนกันนะแต่ก่อนที่ว่าความง่วงมันจะเป็นจะตาย <c oughs> มันมันหนักเหลือเกินนะบางคนติดกาแฟก็อาจจะคิดถึงกาแฟเลยนะบางคนคิดถึง ที่นอนหมอนมุ่งอะไเนี่ยบางคนปฏิบัติอยู่กับเพื่อนก็คิดถึงห้องนะะใช่ไหมแล้วจิตมันมันเกิดความคิดนะหรือบางทีท้านมาปฏิบัติที่นี่อาจจะคิดถึงบ้านถ้ากลับไปที่บ้าน <S <S <อ>เป็นจะได้ทําอะไรก็ได้ที่มันส บ, บายนะบางทีก็เป็นความคิดนะยิ่งแต่มาไทาไปแบบัตใหม่ๆที่ก็เห็นว่ากิเลสมันมันหนักนะยิ่งถ้าเราปฏิบัติคนเดียวนะ ไปปฏิบัติอยู่กุฏินะอยู่ในป่านะบางทีกลางวันนะมันนั่งอยู่ข้างนอกกุฏิตัวเองก็ไม่ค่อยได้อยุงมือนเอยเอะเป็นยเฉพาะถ้าฝนตกอยู่ในป่าอยุงมือนเยอะก็ต้องไปปฏิบัติอยู่ในกนะุฏิการการกดนนั่งย่มือบ้าง น, นั่งประมาธิบ้ า, นนะางเนี่ยการกดถ้าจะเดินจมกรมก็ต้องจุดจุดทูมนะ่แต่ก่อน ยาตนยูนในหา ย, ยากนะแต่ไข้หงเนี่ยไม่เคยเจอเหรอกนะมีแต่ทูบกันนะนะจุดสามสี่จุ ด, 3, 4, จดนะหัวท้ายตามเลยประมาณนะี้เอาไวา้กันยะูนนะแต่ถ้าตอนไหนนะมันเดินเป็นปวดเมื่อยก็ต้องไปนั่งนะเป็นนั่งมันก็ง่วงนะบางทีก็ง่วงบางทีควมง่วงกับที่นอนมันหยุดด้วยกันนะใช่ไหมนั่งอยู่บนที่นอนต้งนั่งแะนะ่นนะอย่างนึงกดสีของเราเองนะ มันต้องฝื่นใจตัวเองมากนะที่จะแบบไม่ให้ล้มตัวลงนอนนะเพราะว่าก็ไม่มีใครมาเห็นนะไม่เหมือนพวกเรานะนี่ยนอนเนียอาจจะโดนสาตาคนอื่นประจานอืมแต่เนี่ยเราอยู่ปุฏิคนเดียวเนี่ยไม่มีใครมาดูนะมันก็ต้องฝื่นตัวเองนะโอ้ต้องง่วงแบบไหนแต่เราก็ต้องสู้นะสู้สก็อาศัยแบบ บางทีก็หายใจนึกๆเข้ามาช่วยหายใจลึกๆเข้ามาช่วยคือบางทีก็บางทีนั่งสมาธิมากๆมันง่วงก็เปลี่ยนมายกมือดีกว่าแต่ใหม่แต่แมาก็สู้ควาง่วงไม่ค่อยไหวก็เลยเอาเลือกระหว่างระหว่างไม่เจอยุงนั่งในมุงกับไปเจอยุงอยู่ข้างนอกเอาเจอยุงดีกว่าไปเดินจงกรมดีกว่าน่ะเดินไป็นต่า แต่ก่อนนั่งแล้วมันมันก็เบื่อง่ายหรือว่าห่วงง่ายก็ไปเดินเป็นกลมเป็นดักเรานอกจากว่าเดินมันปวดมันเมื่อยแล้วก็มันนั่งสักพักนั่งสักพักก็เดี๋ยวพอห่วงเยอะเข้ามาก็าออกไปเดินใหม่เนี่ยก็รทำแบบนี้ก็ได้นะก็เหมือนมีคนถามว่าบางทีเราถ้านั่งนเนๆนะเออถ้าเดินนานๆได้มเนี่ยไปคล้ายๆท่านนั่ ง, นนนนงแลมันไม่คย่ย รู้ตัวเนะี่ยก็ก็เดินถ้าเดินแล้วรู้ตัวก็เดินไปก่อนก็ได้นะก็เดินจนพอสมควรแล้วก็มานั่งก็ได้หรือบางคนอนะาจจะถนัดนั่งก็นั่งเปน็นหลักก็ได้นะก็นั่งปวดเมื่อยพอสมควรก็ค่อย ไ, ไปเดินก็พักแล้วก็กลับมานั่งก็ได้มันมีคำ ว, ว่ากิริยาบทให้เสมอกันนะยืนเดินนั่งนอนนะให้เสมอกันนี้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราต้องแบบ แบ่งเวลาเนาะเป็นนาทีเป็นชั่วโมงให้เสมอกันไม่ไม่ใช่ขนาดนั้นนะเพาว่าจีรีบทเสมอกันคือว่าจะจีรีบทไหนก็เหมือนกันเราก็มีสติเหมือนกันนะไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนหรือทําอะไรก็แล้วแต่ให้เอสาสตินะ่ยเข้าไปอยู่ในจีรีบทนั้นๆมันจะเสมอกันได้ขนาดนั้นแหละนะไม่ใช่ว่าเราจะต้องนั่ง ส0ิบนาทีเดินสามิบนาทีอะไรประมาณนะั้นไม่ใช่นะเราก็แล้วแต่เรารู้สึกว่าทางใหม่ๆนะรู้สึกว่าทาแบบไหนแล้วมันรู้สึกตัวได้ดีนะเราทาแบบนั้นคือดักแต่พอสติเรามากๆขึ้นแต่เดี๋ยวสติมันไปเมื่อเราทาอย่างอื่นที่แตะจอนไม่ค่อยถนัดมันก็จะทาได้นานขึ้นเองหรือว่ามันก็จะรู้ตัวได้มากขึ้นเองแต่ก่อน อาจจะนั่งแล้วมันง่วงหรือว่านั่งแล้วมันฟุ้งมากแต่พอเรามีสติเยอะๆขึ้นกลับมานั่งใหม่มันก็อ้อความม่วงก็เข้ามายากขึ้นนะหรือเข้ามาเราก็เห็นมันไม่เข้าไปเป็นมันก็ได้มากขึ้นอันนี้คือมันก็จะค่อยๆขยายไปที่บทอื่นหรือหรือว่าแต่ก่อนเรามีสติแต่ตอนที่เราทำในรูปแบบพอนอกรูปแบบแล้วก็ขาดสตินะ แต่พอเราทำไปเรื่อยๆนทำไปเรื่อยๆมันจะเกิดคล้ายๆเหมือนจิตมันจะมีความพอใจนะมันมีความพอใจที่จะรู้ตัวมันก็จะเกิดความสมํารณ์ระหว่างเกิดความสมํารณ์ระหวังงหรือถ้าปาฏิานนักปฏิบัติธรรมเขาเรียกว่าเหมือนปฏิบัติธรรมแล้วเหมือนได้อารมณ์นได้อารมณ์มก็คือว่าเหมือนอยากจะปฏิบัติอยู่เรื่อยๆนะ แต่ถ้าจําเป็นต้องทําการงานก็ทําได้แต่แต่ถ้าเราได้อารมณ์ปฏิบัติมันจะเกิดความาำรวมเองนะคําพูดก็น้อยลงนะแต่ก่อนอาจจะค น, นเก่งใจคนนั้นคนนี้ก็เจอจะต้องทักทายพูดคุยแต่มันก็จะเห็นว่าอ๋อที่จริงมันก็เป็นความหยากอย่างหนึ่ง น, นะเราไปคิดเองว่าเราต้องไปพูดต้องไปทักอะไรนะที่จริง ยิ้มๆเฉยๆหรือว่าสงบในการทําการทํา ง, งานก็ได้เหมือนกันนักเลยเหมือนนะไม่จำเป็นว่านั่งจิมข้าวต้องพูดกันนะเจอกันก็ต้องอ่คุยกันเรื่อง น, น, นี้ที่จริงเป็นความคิดของเราเองนะแต่ถ้าเราได้ลงปฏิวัติเราก็จะเหมือนก็จะอยู่เงียบๆนิ่งๆนะแต่ถ้าจำเป็นต้องพูดต้องทำก็ทำนะไม่ใช่ว่าไม่ทำ แต่มันเหมือนจะมีการสํารวมสํมรวมวาจาสํนะารวมสายตานผะูตต้ตรงๆบางทีหนังสือก็ไม่ขยันอ่านถ้าปฏิบัติแล้วได้ตรงหนังสือก็ก็ไม่ไม่ได้อยากจะอ่านอะไรละมันก็เหมือนก็มันเหมือนรู้ว่าที่จริงตําราที่แท้จริงคือกายใจของเรานี่แหละนะไอ้ที่เป็นหนังสือเป็นความรู้มันก็เป็นเป็นความรู้จากการจำหรือ เกิดจากการคิดนะแต่ก็ไม่ใช่หนังสือไม่ดีนะหนังสือก็ดีอยู่แต่เป็นแต่ว่าถ้ามันไม่จําเป็นก็ไม่ใช่ อ, อ่านบางทีก็อ่านก็จำเป็นเช่นต้องไปสอบนักธรรมก็ต้องอ่านนะมันเป็นเนื้อหาที่มันไม่ใช่ใช่การปฏิบัติธรรมล้วนๆนะมันเป็นเรื่องราวประวัติพระพุทธเจ้าเรื่องราวพระมีนัยเรื่องราวหลายอย่างไอ้แบบนั้นก็จำเป็นต้องอา่านหรือโยมบางทีต้องทา ง, งานอยอะก็ต้องอ่านนะ ในวิชาการที่เราต้องต้องทำงานก็ต้องาำแต่มันจะเห็นว่าที่จริงตำราในเท่าปฏิบัติจริงๆคือกายใจนี่แหละนะตำราที่เป็นหนังสือธรรมะเป็นอะไรมันก็เป็นเหมือนเป็นเบื้องต้นนะหรือเป็นตัวทำให้เกิดความเข้าใจในเชิงหลักการที่ถูกต้องนะ แต่มันก็ยังไม่ถูกต้องจริงๆถ้าจิตของเรายังไม่เป็นแบบนั้นนะก็อ่านไว้หรือฟังไว้เป็นเบื้องต้นก็ได้แต่ที่จริงการอ่านก็ที่จริงอย่างอย่างสมาตอนปฏิบัติใหม่ๆอยู่วัดนะมันก็เหมือนโชคดีนะเพราะว่ารำวัดชาทำวัดเย็นก็ถ้าครูบาอาจารย์อยู่ท่านก็เทศหรือถ้าครูบาอาจารย์ไม่อยู่ท่านก็เปิดเทศนะเปิดเทศหลวงพ่อเทียนบ้างหลวงพ่อคนเขียนบ้างตอนนั้นนะก็เหมือนเ เนี่ยแล้วก็คือในเชิงทฤษฎีที่เราจะได้ได้ความเข้าใจในหลักการปฏิบัติที่มากขึ้นหรือว่าส่วนหนึ่งก็เป็นการแก้อารมณ์อของเราด้วยนะแก้อารมณ์เนี่ยไม่ต้องออว่ารอรอครูบายอาจารย์มาหาบางทีเราฟังเอาไปเรื่อยแหละให้ไรบางอย่างที่มันสะดุดมันก็จะเหมือนมันก็จะเข้าไปแก้ปม ใ, ในใจของเราเองนี่คล้ายๆเหมือนกับอเหมือนกับน้ํำนะ เราสาดไปแต่บางอย่างที่มันสกปรกเมันก็ค่อยๆพัดใส่กับน้ําที่สะอาดไปแต่มันไม่ใช่เจ็สะอาดทีเดียวหรอกนะบางวันที่ท่านพูดก็จะยังไม่เก็ตยังไม่เข้าใจก็มีบางไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆค่อยเข้าใจก็มีนะมันก็ค่อยๆคล้ายๆเหมือนเป็นการแก้อารมณ์ตัวเองไปในตัวนะ แต่ก่อนครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้ไปตามเดินดูเราปฏิบัติแบบไหนนะก็เหมือนเทศตอนเช้าเทศตอนเย็นหรือว่าก็จากซีดีจากก็ไม่มีทีดีนะก็เป็นเทสเหมนนะครับเราก็ฟังไปปฏิบัติไปฟังไปปฏิบัติไปนะแต่สมัยนี้โยมก็อาจจะช่วยก็ได้นะก็เราอาจจะไม่ได้ไปโยวัดเราก็เปิดซีดีวันละแท็กสองแท็กในตอได้เหมือนตอนขับต้หรือว่าตอนทํางานก็ ก็ได้หรือถ้าจะตั้งใจตั้งใจฟังจริงๆสักแถบหนึ่งก็ดีนะบางทีตอนเราทํางานบางทีสมาธิมันก็ไม่ค่อยอยู่นะไม่ค่อยเยอะกับการฟังนะก็อยู่กับอย่างอื่นจะมากกว่านะแต่ก็ไม่ต้องฟังมากหรอกฟังไปเหมือนเกิ่นหนึ่งก็เป็นกําลังใจนะกําลังใจเกิ่นหนึ่งก็เป็นการแก้ลงให้กับตัวเราเองนะก็ฟังไปนะก็เหมือน บางทีเราก็ไม่เข้าใจเนะรู้สึกตัวเป็นแบบไหนนะรู้สึกตัวเป็นแบบไหนนออะไรนะเราก็พยายามหาความรู้สึกตัวแต่จริงก็ความรู้สึกตัวมันก็มีอยู่กับเราอยู่แล้วนะแต่ก็เราแต่ก่อนเราเหมือนไปตามหาแต่จริงไอ้ที่เรายืนเดินนั่งนอนแล้วรู้สึกนี่นแหละหรือว่าผูเ้เหียดเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกนั่นแหละนะ่คือความรู้สึกตัวออนะ หรือบางทีเราคิดว่าเราต้องแบบทําให้มันต่อเ น, นื่องทําให้มันรู้เยอะๆนะไม่ชอบความหลงเลยนะแต่จริงมันบังคับแบบนั้นไม่ได้เนาะแต่ก่อนเราคิดว่าเราจะบังคับให้มันได้อย่างที่ใจเราต้องการแต่พอทําไปจริงอ๋อมันบังคับไม่ได้เนาะเราทําได้เพียงแค่เรียกว่าอะไรกลับมาหลวงพ่อก็เลยบอกบางทีติดนะหรือว่าปฏิบัติ ปฏิัติเยปฏิบัติเนี่ยปฏิัติแต่ว่ากลับมากลับมาอ๋อเมื่อมาลงไแล้วก็กลับมาเมื่อปุ้งไปแล้วก็กลับมาหรือแม้แต่สงสัยก็กลับมาเพ <c oughs> ว่าให้เรากลับมาอยู่กับการรู้เนื้อรู้ตัวก็พอแล้ว <c oughs> อันนี้คือนั้นเราไม่ต้องไปห้ามความคิดนะ <c oughs> หรือหลวงพ่อคงเขียนให้นเค่อนล้วมาก็จำได้ ใามีใหม่เราจะรู้สึกว่าต่อต้านนิดๆนะหรือว่าเสียงในใจนะแบบ อ, องคก็ไม่ให้เอาเหตุเอาผลไม่เอาถูกเอาผิดไม่ให้เอาดีไม่ดีทำไมมันถึงไม่เอาเราก็ไม่รู้เนาะเราคิดว่าเหมือนเหตุผลเนาะเราเรียนมาวิทยาศาสตร์ก็สอนให้เราเรียนแบบแนวคิดแบบมีเหตุมีผลนะทำอะไรแล้วก็ คิดว่าคนมีเหตุมีผลดีกว่าคนที่ทําด้วยอารมณ์อะไรแบนะหรือว่าถูกผิดดีชอบอะไรต่างๆก็เป็นสิ่งที่เหมือนมันก็ต้องยึดนะมันต้องยึดแต่จริงเราเคยสังเกตไหมเราก็ทุกเพราะบางทีเรารก็ยึดอที่เราคิดว่าเราทําถูกนั่นแหละใช่ไหมเราทําถูกเราทําดีแล้วก็เถียงคอปเป็นเอ็นได้เห็นไหมเพราะคิดว่าฉัถูกนะเส้นดีเส้นดีแล้ว ได่มีเหตุผลนะเหตุผลชัดเจนนะแต่จริงก็ทุกคนที่เถียงกันก็คิดว่าจะเองถูกเหมือนกันนั่นแหละหรือก็มีเหตุผลเหมือนกันนั่นแหละแล้วทุวกด้วยกันนั่นแหละแต่ก่อนก็เคยเป็นแบบนั้นแต่ก่อนกไม่เคยรู้ตัวนะแต่ก่อนก็อ่านหนังสือนั่งปฏิบัติธรรมบ้านต่อที่รู้ตัวก็คือไปรู้ว่าตัเองมันทุกข์แล้วนะทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะว่า คิดคิดว่าตัเองถูกตอนก่อนบวชม่มีตัวหนึ่งที่ที่ก็โกรอาจารย์ที่ปรึกษาในในตอนปรึกงานนะตอนเรีนั้งคืออยู่ก็โกรธอาจารย์มากก็คิดว่าเราทำถูกนะอาจารย์มาเปลี่ยนที่ปรึกงานให้เราโดยพระร ก, การไม่ถูกต้องนะเราต้องประท้วงเราต้องใช้ใช้ต้องเอาเหตุเอาคนกันเอาถูกก็ผิดกันประมาณนั้นะแต่พอดีอาจารย์ ท่านหนึ่งท่านก็มาพูดคุยด้วยนะแล้วก็เสียงแบบแบบด้วยเหตุผลเราคิดว่าเสียงด้วยเหตุผลแต่ต้องมีอารมณ์เข้าไปเกี่ยวเลยนะคงอาจารย์ท่านก็เห็นเห็นเราคงเห็นเราเครียดเห็นเราโกรธเนาะแต่น่าอาจารย์นึกเรียกชื่อนะ่ะสุธิศาสตร์เธอเห็นคิ้วตโถกโบไหมอืมเราก็อืมไม่ไี้มีกระจกเห็นนะ แต่เราเห็นว่าใจเราเราทุกข์มากไอ้ที่เคยแบบประฟังว่าถ้าวันนี้คุยกันมีเรื่องก็จะไม่ปรึกงานแล้วจะห น, นีไปึกที่อื่นอะไรประมาณนะั้นก็แบบคิดว่าแบบเอาจริงเอาจังเหมืนนะแต่พออาจารย์ทักเนาะโุ้เราเห็นใจเราที่มันมันโกรธเมื่อสักครู่นะมันมันหายไปเลงไม่รู้ความโกรธแค่แค่เห็นเฉยๆนะว่าใจเราแบบกำลังทุกข์อยู่นะความทุกข์มันหาย แล้วก็แบบมันมันแปลกเลยแต่ก่อนที่แบบคิดว่าแบบต้องเอาจริงมาจังมากนะมันก็วันนั้ของมันเองก็ตั <c oughs> ้งแต่แค่อาจารย์พูดวันนั้นก็เหมือนเออความคิดที่จะฝึกที่จะเปลี่ยนที่ฝึกงานก็ก็ไม่เปลี่ยนละฝึกตรงนี้แหละมันมันต้องมเหมือนนั้นก็เหมือนเป็นคิดช่วงหนึ่งในชีวิตนะทําให้เดี๋ยอย่างกจะมาคิดที่จะบวชเพราะว่า เรารู้สึกว่าที่เราเป็นคนจริงจังเกินไปแล้วก็เรารู้สึกเราติดติดในเรื่องดีๆพวกนะั้นเราติดติด ท, ที่มันถูกสิง ท, ที่มันดีติดเหตุผลมันก็เลยทำให้เราคิดว่า เ, เราอยากจะปฏิบัติธรรมอยากจะศึกษาธรรมะ ก, ก่อนก่อนไปทำการทางนานก่อนไปทำอย่างอื่นแต่พอมาบวชแล้วนะไอไอารมนั้นมันก็ มันก็จางหายไปนะก็จะลืมไปแต่พอปฏิบัติไปจริงแล้วนี่อาลมณ์พวกนี้เราเคยเจอแล้วนี่ไอ้ที่ว่าเคยทุกข์เคยไม่ไม่พอใจแล้วมันหายไปที่จริงก็มันมีสตินี่เองออมาฝึกปฏิบัติดีจริงอ๋อการรู้ทัน จ, จิตใจนั่นก็เป็นอารมณ์เหมือนเมื่อเมื่อตอนนั้นเองแต่ตอนนั้นเราไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนแต่ตอนนั้นแค่รู้สึกดีที่มันที่มันไม่ทุกข์ ในเรื่องนั้นแล้วแต่มันก็ดื้อนะที่จริงเราคิดว่าเอ๊ะมันเคยเกิดขึ้นแล้วมันต้องเกิดขึ้นอีกตลอดหรือเปล่ามันไม่ใช่นะถ้าติดมันก็เกิดดับเหมือนกันนะตอนนั้นเคยรู้ตัวมันก็ดื้อไปทีนี้นก็ยังหลงบางครั้งก็ต้องยังกินเหล้าเมายาอย่า ง, ง, า อ, ายายงอะไรยังเคนแบบตามโลกอยน่นะถ้าติมันเกิดแม้เกิดขึ้นแต่มันไม่ได้จะเกิดตลอดหรอกแต่พอมาปฏิบับติธรรมแบบนี้อ๋อ ต, ต่อไปมันก็เริ่มเห็นความคิดเห็นความรู้สึกคล้ายๆกันแบบนั้นแหละนคล้ายๆกันแบบนั้นอ๋อก็เพิ่มข้าใจอ๋อการเห็นความคิดมันเป็นแบบนี้เองเนาะเดี๋ยวการรู้ทันจิตมันเป็นแบบนี้เองเนาะอ๋อเห็นแล้วมันวางเห็นแล้วมันวางแต่เราก็จะไปคิดว่ามันจะมันจะต้องเห็นตลอดเวลานะมันไม่รู้ตลอดเวลาหรอกเพราะสติมันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของจิตทิ่เปิดแล้วก็ดับ จิตทุกดวงเกิดดับนะจิตที่โกรธก็เกิดก็ก็ดับนะจิตที่มีสติก็เกิดก็ก็ดับเหมือนกันงนั้นเราไม่สามารถที่จะบังคับให้มันอะไรอยู่ได้ตลอดหรอกนะแต่สิ่งที่หลวงพ่อท่านสอนมันถูกจริงๆนะไม่ให้เอาเหตุเอาผลไม่เอาถูกเอาผิดไม่เอาดีไม่ดีนะอันนี้ไม่ใช่แค่ เ, าเอาความข้างนอกนะแต่ให้เรากลับมาเตือนตัวเองให้เห็น บางทีมันฟุ้งซ่านบางทีมันสไใจบางทีวันนี้ปฏิบัติดีันบ่ายปฏิบัติไม่ดีมันก็มีนะเราก็คิดนะเราก็ไม่ป่อยใจทําไมเราคิดว่าเช้าดีบ่ายต้องดีกว่าเปล่าสิอะไรแบบนันคิดว่าวันนี้ดีเิอเมื่อวานดีแล้ววันพรุ่งนี้ต้องดีขึ้นอะไรนะมันก็คือความคิดของเราตรงนั้นแล้วเราทุกข้อตรงนั้นแหละเราทุกข้อเราอยากจะให้มันดีไง อยากให้มันสงบอยากให้มันต้องพัฒนาแต่ตามที่หลวงพ่อบอกว่าไม่ให้เอาเนี่ยก็ถือว่าแค่รู้อย่างที่เขาเป็นถ้าเรารู้อย่างที่เขาเป็นจิตมันจะเป็นปกติมันก็เห็นเห็นว่าฟุ้งร่างก็แค่รู้ว่าฟุ้รซ่างเห็นว่ามันไม่สงบก็แค่รู้ว่าไม่สงบหรือว่าเห็นว่ามันสงบก็รู้ว่าสงบก็ไม่ต้องไปติดมา เนี่ยค้ายเหมือนสอนให้เราเดินไปจะไปติดจะไปคล้องแวะเพราะด้านบวกคือด้านลบถ้าเราไปคล้อแวะเนะ่ยมันก็สงทางนะหรือว่าเนินช้าเสียเวลาเนาะแต่การมีส ต, ติเนะี่ยมันเหมือนให้เราผ่านไปเรื่อยอะไรเกิดขึ้นมาก็ผ่านไปเรื่อยผนะ่านไปเรื่อยเนี่ยมันทําให้เราไม่เนินช้านะแล้วก็ไม่เสียเวลาเนาะแต่เราจะผ่านได้เราก็ต้องต้องกล้าวางนะ ที่จริงสติจริงๆคือการวางวางวางแม้แต่ตัวรู้หรือว่าตัวหลงก็ต้องวางนะรู้ก็ต้องวางมาก็ชอบมากหลวงพ่อนะพเทียนสอนนี่ปลูกจริงๆนะมีเคลื่อนมีหยุดนะมันเหมือนให้เราติดวางก็ได้ตอนนะี้วางรู้ทีละครั้แล้วก็วางไปทีละขณนะหนะลงไปก็ไม่เป็นไรก็กลับมารู้ใหม่เออวิธีนี้เราก็ดีนะ ดีมากแต่จริงก็ถ้าเราทําแบบนี้ต่อไปก็อีเยือกระตุ้นอื่นหรือเราไปทาในรูปแบบอื่นเราก็เข้าใจได้อ๋อหลักการจริงๆเนะี่ยที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนนะถ้าเป็นธรรมะแท้มันก็ต้องไปสู่จุดหมายเดียวกันนะก็คือความพ้นจากความทุกข์นะนะถ้าเป็นจุดหมายตรวเนี้ยเราก็ต้องปรึกอย่างที่ในมหาสติปัฏฐานท่านสูตรทั้งสอนไว้นะ ที่ท่านบอกว่าเป็นทางเอดเป็นทางเไปสู่ความทุกข์มันต้องเป็นทางจุดเดียวกันนเราก็เชื่อว่าพวกเราทุกท่านก็คงตั้งใจนะขอให้พวกเราได้ตั้งใจปฏิบัติเนาะเอามหาปฏิปทานนั่นส่วนจะเป็นหลักรูปแบบตัวอาจารย์นะเป็นเป็นรองนะเนี่ย ไ, ไปยึดติดายตัวในรูปแบบนะั่นดีกว่ารูปแบบนี้ดีกว่า ให้เราเอาตัวเองดูว่าเราปฏิบัติวิธีไหนเรารู้สึกว่ามันมันมคล้ายๆถูกเจดิศหรือว่าทําแล้วมันไม่เครียดไม่บังคับตัวเองเกินไปวิธีนั้นแหละเรียกว่ามันเหมาะกับเราแล้วถ้าทําไปเรื่อยรูปแบบไหนมันก็จะเข้าใจว่าที่จริงก็เหมือนกันนะแล้วก็ต่อไปก็จะทําได้มากขึ้นมากขึ้นเราก็จะมีการพัฒนาการ ที่มากขึ้นนับว่าให้พวกเราทุกคนได้ขยันนะฮะทำความเพียงกันแล้วก็ให้เข้าสู่จุดหมายปลายทางคือความค้นทุกนะในปัจจุบันในชาตินี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเดยเถิดนะยังขาดการองกันนะกข่อน